บริษัทเหล่านั้นได้พากันละจากคุปธเจ้าโดยปล่อยให้พระผูม้มีพระภาคประทับอยู่เพียงพระองค์เดียวในพระเชตวันและบริษัททั้งสี่เหล่านั้นทั้งหมดได้พากันออกไปส่งภาษาดีบุตรโดยไม่มีเหลือฝ่ายชาพนครสาวัตถีพากันพูดว่า ได้ยินว่าระษาดิบุตรเถระทูลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประสงค์จะปฏินิพพานและได้ออกเตือนทางแล้วในวันนี้พวกเราทั้งหลายจะไปเยี่ยมท่านเมื่อชาวนาครสาวัตถีคิดอย่างนี้แล้วก็พากันถือเอาของหอมและพวงมาลัยเป็นต้นออกไปยืนจนเนืองแน่นที่ประตูเมือง มหาชนเหล่านั้นที่ยังเป็นปุตุชนไม่สามารถละความเศร้าโศกเสียใจได้บางก็ร้องไห้สยายผมนะข่ำครวญโดยนายเป็นต้นว่าบัดนี้พวกเราเมื่อจะถามว่าท่านผู้มีปัญญามากที่สุดในาศาสนานี้นั่งที่ไหนพระธรรมมเสนาบดนะีนั่งที่ไหนดังนี้ท่านไปสำนักของใคร จะไปวางสักการะในมือใครแล้วเราจะได้เจอได้เจอกับพระเถระได้จากที่ไหนมหาชนทั้งหลายพากันไครครวนคร่ำครวนร้องห่มร้องไห้อย่างนี้จนเสียงร้องไห้คร่ำครวร น, นั้นอุกกระทึกท้งนครสาวัตถีเลยทีเดียวในขณะนั้นพระสาริบุตรเถระ เมื่อได้เดินทางรีกออกไปจากพระศาสดามหาชนทั้งหลายจึงได้พากันติดตามไปส่งพระเถระพระเถระด้วยความที่ตนดำรงอยู่ในเอตัทัคคะเป็นผู้ที่มีปัญญามากจึงใคร่ครวญคิดแล้วว่าผลทางนี้คนทั้งหลายไม่ควรที่จะก้าไป พระสารีบุตรเถระจรึงให้โอวาทแก่มหาชนทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอพวกท่านจงหยุดอยู่ท่านทั้งหลายจงอย่าถึงความประมาทในพระทศพลเลยแล้วจึงมีคำพูดให้หมู่ภิกษุทั้งหลายที่เดินทางมาส่งท่านนั้นกลับไปเพื่อที่จะไปเฝ้าปรนิบัติพระบรมศาสดา ส่วนตัวท่านเองนั้นก็ได้หลีไปนะเดินทางไปพร้อมกับภิกษุจำนวนห้าร้อยซึ่งเป็นบริษัทของตนพวกมนุษย์ทั้งหลายต่างพาการข้าครวนร้รองไห้รำพึงรำพันด้วยความเสียใจว่าในคราวครั้งก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคเที่ยวจารึกไปในสถานที่ต่างๆแล้วกลับมา พระผู้มีพระภาคนั้นก็จะมีภาษาดิบุตรเถระเป็นผู้เดินทางสเสด็จติดตามมาบัด น, นี้ภาษาริบุตรเถระได้เดินทางไปเพื่อที่จะปรินิพานพวกการไปครั้งนี้เป็นการไปเพื่อไม่มีการกลับมาอีกมหาชนทั้งหลายจึงพากันติดตามอยู่อย่างนั้นตามเพื่อที่จะไปส่งพระเถระ พระศาทีบุตรเถระได้กล่าวกับมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ก็คือย่อมมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่ความสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเป็นสุขก็เมื่อพระศารีบุตรเถระได้ให้โอวายแก่มหาชนเหล่านั้น ให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วจึงมีคำพูดสั่งให้มหาชนเหล่านั้นเดินทางกลับไปก็เมื่อมหาชนทั้งหลายที่ตามไปส่งภาษาภาษาดิบุตรเสระได้เดินทางกลับไปแล้วภาษาดิบุตรเสระพร้อมด้วยบริษัทบริวารของตนจำนวนห้าร้อรูปก็ได้เดินทางไปสู่นาฬกาคลำ ตลอดระยะเวราที่เดินทางไปนั้นพระสารีบุตรก็ได้ทำการสงเคราะห์พวกมนุษย์ในหนทางนั้นตลอดเจ็ดวันก็คือในระหว่างทางที่ต้องเดินทางไปสู่นารักขก า, ามนั้นเมื่อผ่านหมู่บ้านใดผ่านชุมชนใดพระสารีบุตรเถระก็จะแวะเพื่อที่จะได้กล่าวแสดงคำ เพื่อที่จะได้นะให้โอวาทแก่มหาชนทั้งหลายในระหว่างทางนั้นภาษาดิบุตรได้นอนคักพักเลมในแต่ละที่แต่ละที่เพียงคืนเดียวจนการเดินทางนั้นล่วงเลยไปเจ็ดวันจึงได้บรรลุถึงบ้านนารั ก, กาคาบในเวลาเย็นเมื่อไปถึงแล้ว พระสารีบุตรจึงได้หยุดพักอยู่ที่โคนต้นไทรต้นไทรนั้นในคําพูดในพระตรปิฎกท่านเรียกต้นไทรว่าต้นนิโครธตพระสาริบุตเรเถระได้หยุดพักที่ต้นไทรใกล้ประตูบ้านในเวลานั้นหลานชายของพระเถระซึ่งชื่อว่าอุปะเลวตะได้ออกไปนอกบ้าน แล้วก็ได้พบเห็นพระเถระเมื่ออุปะเรวตะซึ่งเป็นหลานชายของท่านได้พบเห็นพระสาริบุตรเถระแล้วจึงได้เข้าไปยืนไหว้แล้วกราวกับพระเถระว่าท่านรุงมาเพื่อธุระอะไรพระสาริบุตรเถระจึงได้กราวกับอุปะเรวตะว่ายายของเธออยู่ในเรือนหรือไม่ อุปะเรวตะก็ได้ตอบพระสารีบุตรว่าอยู่ขอรับพระสารีบุตรจึงได้สั่งให้อุปะเรวตะไปบอกแก่มารดาของตนว่าเธอจงไปบอกแก่ยายของเธอว่าเรามาถึงที่นี่เมื่ออุปะเรวตะได้ไปบอกแก่นางสารีพรามณี นางสารีพราหมณีซึ่งเป็นมารดาของพระสารีบุตรนั้นก็ได้ถามว่าลุงของเธอมาเพราะเหตุใดอุปะเดวตะก็ได้ตอบแก่ยายว่าไม่ทราบแต่นางสารีพรามณีซึ่งเป็นมารดาของพระสารีบุตรเมื่อรู้ว่าบุตรชายของตนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนห้าร้อยเดินทางมาถึงบ้านจึงได้จัดแจงห้อง สถานที่พักให้แก่พระเถระและภิกษุบริวารเหล่านั้นโดยให้ภิกษุห้าร้อยรูปซึ่งเป็นบริวาร น, นั้นพำนักอยู่ในเรือนส่วนพระสารีบุตรนางก็ได้จัดห้องอันเป็นที่เกิดของพระเถระนั้นให้พระเถระได้พักอาศัยเมื่อจัดแจงห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ให้อุ ป, ปะเรวตะ ไปบอกแก่พระสารีบุตรเมื่ออุปะเรวตะได้นำข่าวการจัดแจงห้องเรียบร้อยเร้วมาบอกแก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยเข้าไปพักในห้องอันเป็นที่เกิดของตนในเวลานั้นนางสารีพรมามณีซึ่งเป็นแม่ก็มีความคิดอยู่ว่า ลูกชาของเราทำไมจึงให้เตรียมที่อยู่แก่พวกพิสุเหล่านี้หรือว่าท่านบวชมาตั้งแต่หนุม่มพอมาถึงก่นอนแก่อยากจะราศิกขากระมังถึงทราบว่าในเวลานี้พระสารีบุตรเถระมีอายุประมาณ80สิปีแล้วนะครับซึ่งก็เป็นอายุที่ประมาณการนะครับท่านผู้ฟัง ความที่ภาษาดิบุตรอุอปสมบทภายหลังจากพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้วเพียงแค่หนึ่งพรรษาเพราะฉะนั้นภาษาดิบุตรก็คงจะมีอายุอยู่ในช่วงเจ็ดถึงปดสิบปีเมื่อภาษาดิบุตรได้เดินทางไปสู่ห้องซึ่งเป็นที่ที่ตนได้ครอดออกมาแล้วก็ได้บอกกล่าวแก่ภิกษุจำนวนห้าร้อยรูปนั้น ให้จุดเทียนและตะเกียงพักอาศัยตามอัธยาศัยส่วนตนนั้นก็ได้เข้าไปพักอาศัยพักผ่อนในห้องซึ่งเป็นที่คลอดของตนเมื่อพระสารีบุตรได้ส่งภิกษุเหล่านั้นให้พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วเมื่อตนได้เข้าไปสู่ห้องที่คลอดของตนโรคภัยไข้เจ็บที่พระสารีบุตรได้เป็นอยู่นั้น ก็มีอาการอุดุนแรงมีความรุนแรงกล้าแข็งขึ้นเวทนาความเจ็บปวดทุกขเวทนาที่เป็นไปถึงกับปางตายเพราะถ่ายเป็นโลหิตคือภาษาดิบุตรเนี่ยมีโรคประจาตัวก็คือถ่ายเป็นเลือดนะครับอพาธความเจ็บปวดนั้นได้ทวีความรุนแรงขึ้นถ่ายเป็นเลือด ถึงกับต้องเอาภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งคอยรองรับไว้เมื่อเอาภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งรองรับไว้แล้วการถ่ายเป็นเลือดที่ออกมานั้นเต็มภาชนะเต็มกระโถนแล้วก็ต้องเอาภาชนะอีกอันนึงมารองรับไว้ในขณะนั้นนางพรามณีสาทิบุตรซึ่งผู้เป็นมารดาเนี่ยได้เห็นอาพาธได้เห็นความเจ็บป่วยของบุตรชาของตน มีความคิดว่าเราไม่ชอบใจความเป็นไปของบุตรของเราเลยนางจึงได้ยืนพิงประตูห้องอันเป็นที่อยู่ของตนในเวลานั้นท้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งเป็นใหญ่ในเทวโลกฉั้นจะตุ ม, มหาราชิกามีชื่อเรียกว่าจาตุมหาราชาจาตุมหาราชาเทวดาทั้งสี่องค์นั้นประกอบไปด้วย เ ท, ท้าทตรัร์เท้า ว, วิรุณหะเท้า ว, วิรูปะคะและเท้ากุเวระหรือเท้าวเวสุวรรณเทวดาทั้งสี่องค์นี้มีที่อยู่ตอนกลางของภูเขาสินรุซึ่งเสมอ ก, กันกับยอดเขายุคันธรก็ในบรรดาเท้ามหาราชทั้งสี่นั้น ท้าทัตทรัฐะอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสินิรุตเป็นผู้ปกครองคันทภพพเทวดาทั้งหมดท้าวิรุณหกะหรือท้าวิรุณหกอยู่ทางด้านทิศใต้ของภูเขาสินิรุตเป็นผู้ปกครองกุมพันธะเทวดาทั้งหมดกลุมพันธะเทวดานั้นก็คือเทวดาที่มีท้องโตท้องใหญ่ ส่วนเท้าวิรูปค่ะอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสินีรุเป็นผู้ปกครองนาคเทวดาทั้งหมดส่วนขั้นที่สี่ก็คือเท้ากุเวระหรือเท้าเวสุวรรณอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสินีรุเป็นผู้ปกครองยกักษ์เทวดาทั้งหมดก็ทามหาราชทั้งสี่ได้ตรวจดูอยู่ว่า พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอยู่ที่ไหนเมื่อเห็นแล้วด้วยทิพจักรุญญาของตนว่าพระสารีบุตรนอนอยู่บนเตียงอันเป็นที่ปรินิพานในห้องที่ตนเคยครอดซึ่งอยู่ในบ้านนารกะเมื่อท้ามหาราชทั้งสีได้รู้อย่างนี้แล้วก็มีความคิดพร้อมใจกันว่า เราจะไปเยี่ยมพระสารีบุตรเป็นครั้งสุดท้ายก็ด้วยอนุภาพของความเป็นเทวดานะครับพอคิดได้อย่างนั้นก็เดินทางลงมาอย่างห้องที่พระสารีบุตรเคยครอดที่บ้านนารกะเมื่อมาแล้วก็ได้ยืนไหวอยู่พระสารีบุตรได้ถามท้ามหาราษทั้งสี่ว่าท่านเป็นใคร เท้ามหาราชทั้งสี่ได้ตอบว่าเป็นเท้ามหาราชขอรับพระสารีบุตรก็เลยถามกลับไปว่าพวกท่านมาเพราะเหตุอะไรเท้ามหาราชทั้งสีก็เลยตอบว่าพระเจ้าจะมาบำรุงท่านผู้เจ็บป่วยอยู่พระสารีบุตรได้กล่าวตอบว่าท่างเถอะ ผู้ที่จะบำรุงเราซึ่งเป็นผู้ป่วยไข้นั้นมีอยู่พวกท่านทั้งหลายจงไปเถิดเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ได้ส่งเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นให้กลับไปพร้อยหลังเท้ามหาราชทั้งสี่กลับไปแล้วเท้าสักกะเทวราชซึ่งเป็นจอมเทศหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าพระอิน มีความประสงค์ที่จะมาเยี่ยมเยียนพระสารีบุตรจึงได้เสด็จเดินทางมาแล้วตามในยะเดียวกันกันกบที่ท้าวมหาราชทั้งสี่เดินทางมานั้นนั่นแหละก็เมื่อท้าวสกกะทิวราชมาแล้วก็ได้ยืนไหว้พระสารีบุตรอยู่พระสารีบุตรก็ได้ถามในธรรมนองเดียวกันว่าท่านเป็นใคร เท้าสักกะจอมเทพก็ได้ตอบว่าท้าเจ้าเป็นเท้าสักกะเทวราชขอรับพระสารีบุตรก็ได้ถามต่อไปว่าท่านมาเพราะเหตุอะไรเท้าสักกะเทวราชก็ได้ตอบว่าท้าวเจ้ามาเพื่อจะบำรุงท่านผู้เจ็บป่วยอยู่พระสารีบุตรก็ได้ตอบกับเท้าสักกะเทวราชว่า ผู้ที่จะบำรุงผู้ที่จะดูแลเราซึ่งเป็นผู้ป่วยไข้นั้นมีอยู่ขอท่านจงกลับไปเถิดก็เมื่อเท้าส ก, กะเทวราชกลับไปแล้วในลำดับต่อมาเท้ามหาบรมก็เดินทางมาเมื่อมาถึงแล้วก็ได้ยืนไหว้พระสารีบุตรอยู่พระสารีบุตรได้กล่าวถาม และก็ได้ส่งเท้ามหาพรหมไปในทํานองเดียวกันกับที่ได้ส่งเท้ามหาราชทั้งสี่และเท้าส ก, กัดเทวราชนั่นแหละนางสารีพระมณีซึ่งเป็นมารดาของพระสาริบุตรได้แลเห็นเทวดาเหล่านั้นพากันมาและต่างเดินทางกลับไปแล้วจึงคิดว่าเทวดาเหล่านี้ไหวบุตรของเราแล้ว แล้วก็ไปเพราะเหตุอะไรหนอนางจึงได้เดินไปยังประตูห้องพระเถระแล้วก็ได้ถามพระจุนทะเถระซึ่งปรนิบัติเฝ้าไข้ภาษาดิบุตรโดยนางได้ถามว่ามีความเป็นไปอย่างไรหรือพระจุนทะได้บอกความเป็นไปโดยดําดับแห่ง การมาของเทวดาเหล่านั้นแล้วจึงเรียนแก่พระสารีบุตรเทรว่าท่านผู้เจริญมหาอุบาสิกามาพระสารีบุตรเทระจึงถามว่าเพราะเหตุอะไรมารดาจึงมาในเวลาที่ไม่เหมาะสมหือด้วยความที่พระสารีบุตรกาลังเจ็บป่วยอยู่แล้วก็ถ่ายเป็นโลหิตอยู่นะครับ นางสารีพรมามณีเมื่อถูกภาษารีบุตรถามเช่นนั้นจึงกล่าวว่าแม่มาเยี่ยมลูกแล้วจึงถามภาษารีบุตรต่อไปว่าเมื่อสักครูน่นี้ใครมาหาพ่อก่อนภะษารีบุตรเถระได้กล่าวตอบแก่บุคคลผู้เป็นมานรดา ว, ว่าในเบื้องต้นท้ามหาราชทั้งสี่มา มหาอุบาสิกาเมื่อได้ฟังอย่างนั้นบารดาของพระสารีบุตรได้ถามกลับไปว่าเจ้าเป็นใหญ่กว่าท้าวมหาราชทั้งสี่หรือพ่อพระสารีบุตรตอบว่าอุบาสิกาท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นเหมือนกับเด็กวัดทั้งนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่พระบรมศาสดาของพวกเราถือปฏิสนธิ ท้ามหาราชทั้งสี่นั้นก็ได้ถือพระขันทำการรักษาปกป้องคุ้มครองพยันตรายให้แก่พระบรมศาสดาของเราในคราวที่พระองค์ถือปฏิสนธินางสารีพราหมณีก็ได้ถามต่อไปว่าคค้อยหลังท้ามหาราชทั้งสี่ไปแล้วใครเล่าเป็นผู้เดินทางมาอีก ภาษาดีบุตรก็ได้ตอบว่าท้าสั ก, กะเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพได้เดินทางมาภายหลังจากที่ท้ามหาราชทั้งสี่เดินทางกลับไปแล้วมารดาของภาษารีบุตรก็ได้กล่าวถามว่าเจ้าเป็นใหญ่กว่าท้าสั ก, กะเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพอีกหรือพ่อภาษารีบุตรได้กล่าวตอบว่ามหาอุบาสิกา เท้าสักกะจอเทพนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับสามเณรผู้เดินติดตามพระภิกษุเป็นผู้ที่ถือสินของเดินตามพระภิกษุทั้งหลายทั้งนี้ก็เพราะว่าในเวลาที่พระบรมศาสดาของเรานั้นเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าสักกะเทวราชนี้ได้ถือบาทและจีวรตามเสด็จลงมา เพราะฉะนั้นท้าวส ก, กะเทวราชก็มีสถานภาพไม่ต่างอะไรกับสามเณรผู้ถือสิ่งของให้กับพระภิกษุมารดาของพระสารีบุตรก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วภายหลังจากที่ท้าวส ก, กะเทวราชนั้นไปแล้วใครเป็นผู้มาเพราะดูเหมือนว่าจะมีแสงสว่างมีความรุ่งเรืองมากกว่าบุคคลอื่น ภาษาดิบุตรได้กล่าวตอบว่าภายหลังจากที่เทา้าสกฤติวราชเดินทางกลับไปแล้วนั้นผู้ที่เดินทางมาก็คือมหาพรหมซึ่งท้ามหาพรหมนั้นก็เป็นาศาสดาของโยมเป็นาศาสดาของมหาอุบาสิกานั่นเองมารดาของภาษาริบุตรได้กล่าวถามต่อไปว่าพ่อยังเป็นใหญ่กว่าท้ามหาพรหม ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าของโยมหรือถึงทราบอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คือว่านางสารีพราหมณีซึ่งเป็นมารดาของพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่ให้ความเคารพนับถือเท้ามหาพรหมโดยมีความเข้าใจว่าท้ามหาพรหมนั้นเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ริกิดชีวิตความเป็นไปของตน เพราะฉะนั้นนางจึงให้ความสําคัญกับท้ามหาพรหมอย่างยิ่งยวดนับถือท้ามหาพรหมว่าเป็นศาสดาของตนแต่ครั้นเมื่อได้ยินว่าภายหลังจากที่เท้าส ก, กะเทวราชเดินทางกลับไปแล้วผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมไข่พระศาดีบุตรได้ลำดับต่อแต่นั้นก็คือท้ามหาพรหม นางก็เลยรู้สึกแปลกใจแล้วก็ถามภาษาริบุตรไปว่าพ่อยังเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมซึ่งเป็นพระเจ้าของโยมหลอกหรือภาษาริบุตรเมื่อถูกมารดาถามอย่างนี้ก็เลยตอบกลับไปว่าใช่แล้วมหาอุบาสิกาเราเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมทั้งนี้ก็เพราะว่า ชื่อว่าท้ามหาพรหมทั้งสี่เหล่านั้นในวันที่พระบรมศาสดาของเราประสูติท้ามหาพรหมเหล่านั้นได้จับเอาข่ายทองถือเอาข่ายทองรองรับพระมหาบุรุษซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราเมื่อนางสารีพรมามณีได้ฟังอย่างนี้ก็มีความคิดว่าเพียงลูกของเรายัางมีอนุภาพ ถึงเพียงนี้แล้วพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระเจ้าของรูปของเราจากมีอนุภาพขนาดไหนหนอเมื่อนางคิดได้อย่างนี้แล้วในขณะนั้นนั่นเองปีติทั้งห้าย่อมเกิดขึ้นแผ่ไปทั่วสตรีระของนางสารีพรามณีซึ่งปีติทั้งห้านั้นประกอบไปด้วย 1. นุตกาปิติคือความอิ่มเอิบเพียงเล็กน้อยที่สามารถทำให้ผลภายในร่างกายรุกขึ้นได้เท่านั้นสคณิกาปิติคือความอิ่มเอิบที่เป็นไปชั่วขณะหนึ่งๆก็คณิกาปิตินั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะรู้สึกอิ่มเอิบไปทั่วร่างกาย อาการที่อิ่มเอิบนี้จะเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งหนึ่งเหมือนสายฟ้าแลบอาการที่แปลก บ, บนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเกิดแล้วก็หายไปแต่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆประการที่สามโอการติกาปิติคือความอิ่มเอิบใจท่วมทับโอการติกาปิตินี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมถมลงสู่ร่างกายโดยสืบซากกระจายไปทั่วร่างกายเป็นระรอกระรเหมือนคลื่นที่ถมเข้ากระทบฟังเป็นระยะระยะแล้วก็แตกกระจายไปประการที่สี่อุพเพงคาปีติก็คือความอิ่มเ อ, อิบโรดผนเป็นความปราบรื้มที่มีกำลังทั้งนี้ก็เพราะเมื่อปีติประเภทนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็จะมีอาการทำให้ร่างกายเบาและถ้าปิติประเภทนี้มีกำลังมากมากก็ถึงขนาดสามารถยกร่างกายของบุคคลผู้นั้นให้ลอยขึ้นไปในอากาศได้ส่วนประการที่5ภารณาปิติคือความอิ่มเอิบที่แผ่ซ่านเป็นความปราบรื้มที่แผ่ซ่านไปนทั่วร่างกาย ปีติประเภทนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้สึกซาบซ่านอิ่มเอิบไปทั่วร่างกายและสามารถตั้งอยู่ได้นานอีกทั้งจะมีความรู้สึกว่าเป็นสุขมากกุปมาเหมือนกับกระบอกสูบที่สูบลมจนเต็มหรือเป็นเหมือนลูกภูเขาที่ห่วงน้ำใหญ่ไหลเข้าไปซึมซาบทุกซอกทุกมุมนี่แหละปีติทั้งห้าประการนี้ได้เกิดขึ้นแกมหาอุบาสิกา ซึ่งเป็นแม่ของภาษาดิบุตรนะครับก็เมื่อภาษาริบุตรได้เห็นเช่นนั้นก็มีความคิดอยู่ว่าปีติสมนัตได้เกิดขึ้นแก่มารดาของเราแล้วบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรที่เราจะแสดงธรรมแก่ผู้เป็นมารดาเมื่อคิดเช่นนี้แล้วภาษาริบุตรเถระจึงกล่าวว่ามหาอุบาสิกา ท่านกำลังคิดอะไรอยู่มารดาของพระสารีบุตรได้กล่าวตอบว่าแม่กำลังคิดถึงว่าเพียงรูปของเรายังมีคุณถึงเพียงนี้แล้วพระบรมศาสดาของลูกแห่งเรานั้นจะมีคุณถึงขนาดไหนพระสารีบุตรเถระได้กล่าวตอบว่า มหาอุบาสิกาในขณะที่พระบรมศาสดาของอาตมาประสูติ์ในขณะที่พระบรมศาสดาเสด็จออกผนวดในขณะที่ตัสรู้และในขณะที่ประกาศพระสัทธรรมสแสดงธรรมจักรให้เป็นไปในเวลานั้นหมื่นโลกธาตุได้หวันไหวแล้ว ขึ้นชื่อว่าบุคคลที่จะเสมอเหมือนกับพระบรมศาสดาของเราได้ศีลโดยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติความหลุดพน้นและวิมุตติญาณทัศนหคือปัญญาอันเป็นเครื่องหลุดพน้นได้รู้ว่าตนได้พ้นแล้วนั้นย่อมไม่มีก็เมื่อภาษาริบุตรเถระ ได้ประกาศคุณของพระบรมศาสดาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติและวิมุตติญ า, านทัศนะแล้วเมื่อมีความประสงค์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับพระพุทธคุณหรือคุณของพระพุทธเจ้าให้กว้างขวางพิสดารออกไปพระสาลิบุตรก็ได้เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาได้บทว่า อิติปิโสพะกวาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นอารหังทรงเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้สิ้นจากกิเลสและวาสนาอังเด็ดผาดสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ยัยธรรมคือถามที่ควรรู้ทั้งหลายด้วยพระองค์เอง และเป็นไปโดยชอบวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วคือเสด็จไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากและเสด็จไปเพื่อเข้าถึงความดับแห่งกองทุกคือเสด็จเข้าสู่พาณิพกาน โลกะวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งสามถือสังขารละโลกสัตวโลกและโอกาสโลกอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถทรงเต็นสารถผู้ฝึกบุรุษชั้นเยี่ยมไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าสัตถาเทวะมนุษย์สานางทรงเต็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุโทโธทรงเป็นผู้ตัสรู้แจ้งอริยสัจี่โดยรอบคอบอย่างถี่ถ้วนตลอดจนทรงยังรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งปวงแล้วสามารถยังสัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามได้พระควาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมและที่ชื่อว่าพระควาก็เพราะเป็นผู้ประกอบไปด้วยบุญพกประการคือหนึ่งอิสริยะ หมายถึงทรงเป็นผู้มีอิสริยะคือความเป็นใหญ่สองธรรมะได้แก่เป็นใหญ่ในโลกุตตรธรรมเก้าถือมรซีผล4ีและนิพพานหนึ่ง